ธ ร, รของพระพุทธเจ้านะัน้นน่าเรียนน่ารู้นะลักษณะธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงนี่แรกท่านจะแสดงแจกแจงให้เรารู้หลักของการปฏิบัติรู้วิธีรู้หลักอะไรต่ออะไรนี่คนไหนรู้หลักแล้วนะธรรมะของท่านก็จะไปในลักษณะที่ชักชวนเชนิญชวนให้ลงมือปฏิบัติ คนไหนลงมือปฏิบัติแล้วมีปัญหาธรรมะของท่านเพื่อสอนคนนั้นนะก็เป็นเรื่องการแก้ปัญหาการปฏิบัติให้กำลังใจบ้างช่วยแก้ปัญหาบ้างคนที่ภาวนาเป็นแล้วดีแล้วนะธรรมะของท่านอย่างพระลราหันไปคุยกันนะไม่ใช่เพื่อเอาวิธีปฏิบัติไม่ใช่เอาความรู้อะไรนะแต่เอาความร่าเริงในธรรมะยันบางทีธรรมะของพระเจ้า เราอ่านบางเรื่องบางบทนะะเป็นธรรมะที่ร่าเริงเคยมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็นะเดินเข้าไปในวัดผ่านกุฏิพระหลายหลังไปถึงพระพุทธเจ้าก็าไปทูลพระพุทธเจ้าวอกน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าภิกษุของพระองค์นะพระภิกษุของพระองค์เนี่ยสงบแต่ร่าเริง เขาไม่ได้ชมเลยนะพิสูุของพระองค์สงบหงอยๆยดีพระเจ้าค่ะพิสูุร่าเริงทำไมร่าเริงร่าเริงในธรรมะจิตใจมีความสุขสดชื่นการปฏิบัติไม่ใช่แห้งแร้งไม่ใช่ลำเค็นทุกยากเครียดถ้าลงมือปฏิบัติแล้วเครียดแสดงว่าทำผิด ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะพ้ทุกข์ได้ปฏิบัติแล้วเครียดกว่าเก่าอีกใป็นการชวนพวกเรานะให้ย้อนเข้ามามาเรียนรู้ตัวเองโอปัยิ่งน้อมเข้ามาหาตัวเองแล้ว เ, เข้ามาหาตัวเองก็มาเรียนรู้ตัวเองสุดท้ายมันก็ลงคําว่าปั จ, จตังเวทิตาโพวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองในลักษณะธรรมะของท่านนะต้องน้อมเข้ามาเรียนรู้เรื่องของเราเอง ไม่ใช่เรียน อ, ออกข้างนอกไปกลับมาที่ร่างกายกลับมาที่จิตใจของเรานะสวากขาโตพระควาตาธรรมโมธรรมะที่ผู้เจ้าแสดงไว้ดีแล้วมีพระโยงค์หนึ่งรู้สึกว่บชื่อพระราธะท่า น, นเป็นเอตทคัคคะหลายอย่างั้ยแต่ว่าอันประเด็นหนึ่งก็คือท่านาชอบไปตั้งคำถามนะแล้วทำให้ผู้ เ, เจ้าเนี่ยเทศอะไรได้เยอะเลย ท่านท่านจะไปถามสามมุติว่าถามได้เรื่องถ้าถามไม่ได้เรื่องธรรมะของพระเจ้าผมไม่ออกมาไม่แสดงออกมาดงั้นบางองค์ท่านเก่งทางถามครูบาอาจารย์นั่นก็เคยเล่าเวลาอยากฟังเทศอาจารย์ใหญ่ท่านไม่เทศหลายวันละอยากฟังเทศต้องไปแกล้งทำอะไรบ้าๆบอๆให้ท่านเห็นนะพดีเช่นลุกขึ้นลามวยต่อหน้าท่านอนะไรอย่งนี้ โอ้ยธรรมะท่านระเบิดเถิดเทิงเลยคนนีอ้ออนนั้นท่านแกล้งแกล้งหาเรื่องมีครูบาอาจารย์อยู่องค์ยังมีชีวิตยอยู่แต่ว่าเอยชื่อไม่ได้ท่านไม่ชอบให้คนยุ่งท่านก็บวชกับหลวงปู่ดูล น, นี่แหละหลวงปู่ดูลเนี่ยไม่ค่อยพูดนะไม่จําเป็นหลวงปู่ดูลจะไม่พูดเนงะียบ ไปนั่งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่พูดบางครั้งครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มาเยี่ยมท่าน<ม>ก็ไหว้กันเฉยเฉยแล้วก็ไม่พูด น, ะนั่งอยู่กันนะสองชั่วโมงหลวงปู่สามไปเยี่ยมหลวงปู่ดุลไปกราบกันทีหนึ่งแล้วก็นั่งต่างคนต่างก็อยู่ไม่พูดกัน <c oughs> ไม่คุยกันถ้าเป็นเราก็องตแสดงว่าโกรธกันนะอยู่นานนะถึงเวลาแล้วหลวงปู่สามก็กราบอผมกลบนะับแล้วหลวงปู่ดุลพยักหน้าที ไปอุปชาหลวงพ่ออุปถากหลวงปู่อยู่ถามว่าทําไมไม่คุยกับหลวงปู่สามบ้างบว่าธุระมันหมดแล้วไม่มีธุระต้องคุยเนื้อธรรมชาติหลวงปู่ดุลไม่พูดนะแต่ว่าเวลาสอนธรร ม, มนะเนี่ยถ้าใจของเราพอดีพอดีนะท่านสอนของท่านเองไปถามบางทีก็ไม่ตอบนะถ้าท่านจะสอนท่านก็สอนของท่านเอง ที่ถามก็ตอบเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ตอบทุกคําถามหรอกถ้าไม่มีสาระถามท่านก็มองมองเราเหมือนเป็นต้นไม้หนึ่งต้น <c oughs> <c oughs> ว่างเปล่าไม่มีอะไรนี่ลูกศิษย์จะรู้กันดีหลวงปู่ดูลไม่ค่อยเทศองค์นี้ท่านอยู่ทางสุรินทร์เหมือนกันนะท่านก็คิดอุบายว่าจะให้หลวงปู่เทศให้ได้เลยวันเนี้ย ท่านก็นึกในใจก่อนจะไปหาหลวงปู่นะนึกในใจว่าที่หลวงปู่สอนธรรมะเนี่ยไม่จริงหรอกหลวงปู่สอนว่าการปฏิบัติไม่ยากยากจะตายไปยากยากยากยากยากพูดอยู่ในใจอย่างนี้นะพอเข้าไปกราบหลวงปู่พอเงยหน้าขึ้นมาหลวงปู่บอกพระผีบ้าธรรมะไม่ยากซะหน่อยนะว่ายากอะไรนักหนา บอกวันนั้นได้ฟังเทศจุใจเลยนะแต่พวกเราอย่าใช้วิธีนี้กับหลวงพ่อนะพวกเรามันเยอะมายันะ่วให้หลวงพ่อเทศมากมากแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันเลยเวลาเทศไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่าพอเลิกเทศแล้วมันเหนื่อยนะธรรมะต้องช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองเรียนเอาหลักของการปฏิบัติไปแล้วต้องไปทำเอาเองนะ ไม่ใช่มานั่งฟังหวังว่าจะเกิดความรู้นะไม่ใช่เรียนเล็กฟังเลคเชอร์รอฟังปริยัติหลวงพ่อไปเรียนอย่างหลวงปูดดูนนะบางทีท่านถามเลยเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้ถ้านบอกเออจำไว้นะไปสอนอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเข้าใจได้ต้องไปทำเอาตอนนั้นไปหาท่านครั้งสุดท้ายนะ ก่อนท่านจะมรณาภาพสามสิบหวันในใจก็นึกว่าท่านนิพพานนะแต่ว่าพูดต่อสาธารณะเ้วก็ใช้คํว่ามรณาภาพเป็นกลางกลงังความเชื่อส่วนตัวก็ว่าท่านนิพพานเป็นความเชื่อส่วนตัวใครจะว่าได้สามสิบหกวันก่อนท่านมรณาภาพไปหาท่านท่านก็สอนให้ตั้งแต่บ่ายจนค่ำเลยนะเหนื่อยมากเลยท่านนะหอบแล้วหอบอีกนะอายุ96บหอ่ะ ไม่ค่อยสบายด้วยหอบหอบหอบเลเรียนท่านหลวงปู่ผมจะกลับแล้วล่ะหลวงปู่เหนื่อยลนะ้วยังกลับไม่ได้นะจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตชื่ อ, อถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสารอย่างนี้เข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้เออจําไว้นะอย่างนี้อาไปได้ล้วงั้นบางทีธรรมะฟังจากครูบาอาจารย์นะ ใช้เวลานานนะกว่าเราจะย่อยธรรมะของท่านมาเป็นความเข้าใจได้เข้าหูไังเข้าง่ายท่านพูดทันทีก็เข้าหูแล้วเหลืออยู่ในสมองหน่อยหนึ่งแต่ถ้าต้องพานานนักมากๆแล้วเข้าใจภาษาไทยเข้าใจเข้ามาถึงใจเลยไม่ใช่แค่ understand เข้าใจเลยเข้าไปอยู่ในใจถ้าเข้าไปอยู่ในใจแล้วเนี่ยข้ามภพข้ามชาติได้ ถ้าเข้าสมองไม่นานสมองก็ตายหรือสมองฝ่องั้นภาวนาเอาให้มันเข้าใจให้ได้ภาวนาให้เข้าใจก็ต้องให้ใจได้เห็นแล้วเห็นอีกใจมันถึงจะจได้แม่นพามันรู้สึกตัวนะแล้วดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานให้มากที่สุดเลยตอนมันเหนื่อยดูจิต ด, ดูใจไม่ได้แล้วมันเหนื่อยแล้วก็ดูกายไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอน นะกินดื่มทำพูดคิดอะไรต่ออะไรร่างกายทำไปหลวงพ่อพุธชอบสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดตรงยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำเนี่ยเป็นเรื่องร่างกายนะพูดก็ร่างกายตรงคิดเนี่ยเรื่องใจให้มีสติรู้ทันเอาฝึกให้เยอะเลยนะให้มีสติอยู่ในทุกๆอิริยาบถมีสติอยู่ในทุกสถานการณ์ตอนไหนที่ต้องทำงานปฏิบัติไม่ได้ เวลาที่ทำงานที่ใช้ความคิดให้สติไปจดจ่ออยู่กับงานให้มีสมาธิอยู่กับงานมีปัญญาอยู่กับงานคิดเรื่องงานหมดเวลาทำงานนะให้มีสติรู้ทันจิตมีสมาธิตั้งมั่นมีจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตมีปัญญารู้ความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในจิตใจของเรานะในการภาวนานะเวลาทำงานไม่ต้องภาวนา เวลาทํางานคือเวลาถ้าต้องคิดออกข้างนอกหมดเวลานั้นแล้วนะมารู้สึกตัวขึ้นมาให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูมันทํางานสติะระลึกรู้เลยอะไรปรากฏขึ้นสติะระลึกรู้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ปัญญาก็จะเกิดจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาเห็นอย่างนี้ได้พระโสดาบันบางคนได้โสดาง่ายเกินไปนะ นั่งสมาธิแล้วบุบบุบว่าๆอะไรบอกได้โสดาแล้วโอ้ไม่ไหวหรอกนั้นไม่ล้างกิเลส จ, จริงนะบางคนภาวนาแล้วรู้สึกเร่อได้ธรรมชาชั้นนั้นชั้นนี้นะวิธีจัดการไม่มีอะไรมากหรอกพาให้ดูกิเลส <นะ S 1> ว่าเป็นพระระยะชั้นไหนล่ะแล้วกิเลสตัวไหนมันยังมีตัวไหนมันไม่มีไพาดูตัวนี้แต่ก่อนที่จะพาดูกิเลสได้เนี่ยต้องแย่ให้จิตเคลื่อนก่อน ส่วนมากที่บอกว่าได้ธรรมะชั้นนั้นชั้นนี้เป็นพระอริยะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยประคองจิตไว้แทบทั้งสิ้นเลยประคองให้จิตนิ่งๆแล้วไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมันจะมีได้ไงประคองเอาไว้อยู่เฉยๆไม่มีอะไรเลยความจริงมีโมหะแต่ไม่เห็นหออกนะแล้วก็มีโลภะอยากให้เป็นอย่างนี้แหละแต่ไม่เห็นออกก็นะนิ่งไม่มีกิเลสเลยพวกหนึ่งประคองเอาไว้นะพวกหนึ่งกําหนดเอาไว้ทางอายตนะ อย่างเวลาตามองเห็นรูปบางคนกําหนดอยู่ที่ตากําหนดอยู่ที่เรียกจักรคูประสาทประสาทตานะตรงประสาทตาเนี่ยบอกไม่มีกิเลสก็ถูกแล้วประสาทตาเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุมันจะมีกิเลสได้ไงบางคนพรตาเห็นรูปกําหนดไปตรงรูปที่ตาเห็นรูปที่ตาเห็นคืออะไรคือสีคือแสงสีแสงของมันก็ไม่มีกิเลสหรอกนะบางคนกําหนดตรงที่กระทบกัน จักรู่ประสาทกระทบกระรูปกระทบกระแสงกำหนดไปตรงการกระทบการกระทบเป็นผัสะผัสะเป็นวิบากไม่มีกิเลสหรอกบางคนกำหนด อ, อยู่ที่จิตความรับรู้รูปที่ปรากฏเรียกจกักรูวิญญาณจิตกำหนด อ, อยู่ที่จิตที่ไปมองเห็นรูปจิตที่มองเห็นรูปเป็นวิบากจิตไม่มีกิเลสหรอมั้งบางคนภาวนาเ น, นี่ยนะแค่ตามองเห็นรูปเนี่ยแตกออกได้สํานักนะ แต่เราได้สีนิกายสี่พวกเลยพวกหนึ่งเพ่งอยู่ที่ประสาทตาเพ่งที่ที่รูปรูปประธรรมภายในพวกหนึ่งเพ่งอยู่ที่แสงที่มากระทบรูปที่เห็นอันนั้นคือรูปภายนอกพวกหนึ่งเพ่งอยู่ที่ผัสสะการกระทบพวกหนึ่งเพ่งอยู่ที่จิตที่ไปรู้รูปตรงนี้ไม่มีหมาไปเห็นรูปหมาก็ไม่มีกิเลสเหมือนกันขณะที่เห็นไม่มีกิเลสหรอกแต่ตามองเห็นแล้วมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจ เราส่งสัญญาณมาที่ใจแล้วสัญญาจะเข้าไปแปลความหมายของสัญญาณนั้นเนี่ยสีอย่างนี้ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้นะสัญญาจะแปลเลยนี่คือคนเป็นฝรั่งอะไรเนี้ยสัญญาจะให้ข้อมูลขึ้นมาสังขารก็ปรุงเลยนะเออเป็นฝรั่งที่แปลกนะสนใจธรรมะดีจังเลยอะไรก็ปรุงฟุ้งซ่านไปตรงที่จิตมันปรุงแล้วนี่แหละกิเลสมันถึงจะเกิดกุศลแล้อกุศลนะมันเกิดตรงที่มันมาปรุงแล้วนี่แหละ ตรงที่มันมาปรุงเนี่ยในตาําราเขาเรียกว่าชวนาจิตชวนาจิตเป็นจิตที่สเสวยอารมณนะ์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่ว ite. นั้นตรงที่ตาเห็นรูปไม่มีกิเลสนะั้นเรื่องปกติหมาเห็นรูปหมาก็ไม่มีกิเลสในขณะนั้นในขณะที่หูได้ยินเสียงนะก็เหมือนกันกำหนดอยู่ที่ประสาทหูก็ได้กําหนดอยู่ที่คลื่นเสียงก็ได้กําหนดที่ผัดสะการกระทบระหว่างหูกับเสียงก็ได้กํ <S <s <windows> <S าหนดอยู่ที่จิตที่รับรู้เสียงก็ได้ตรงนี้ไม่มีกิเลส ถ้าเราจงใจไปกําหนดอย่างนี้แนละ้วมันจะตัดวิถีจิตให้ขาดอยู่แค่นั้นมันจะไม่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเมื่อมันไม่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแนละ้วเราไม่รู้เลยว่ามีกิเลสอะไรซ่อนอยู่งั้นอย่าไปล็อกมันให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดานะกระทบแล้วใจจะกระเทือนขึ้นมาไม่เป็นไรให้รู้เอามันปรุงสุขให้รู้มันปรุงทุกข์ให้รู้ปรุงกุศลอกุศลให้รู้นะสุขทุกข์กุศลอกุศลทางใจทั้งหลายเนี่ย เกิดในชวะนะจิตไม่เกิดที่วิบากจิตนะวิบากจิตคืออะไรจิตที่เห็นรูปจิตที่ได้ยินเสียงจิตที่ได้กลิ่นจิตที่ได้รสจิตที่รู้สัมผัสทางกายอะไรเงี้ยวันนี้เรียกว่าวิบากจิตยันปล่อยให้มันทํางานตามธรรมชาตินะแล้วรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตสรุปง่ายๆเลยนะใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละการปฏิบัติในชีวิตธรรมดานี่แหละ ตาหูจมูกเลิ้ไก่จะกระทบอารมณ์กระทบแล้วก็ไม่ไปประคองให้จิตนิ่งๆอยู่นะ mm. แล้วพอไม่ประคองนะกิเลส ท, ที่มันมีอยู่มันจะฟุ้งขึ้นมาพอมันฟุ้งขึ้นมาแล้วเราถึงจะเห็นว่ากิเลสเกิดแล้วกิเลสดับอะไรกัได้นะก็ปรุงมันปรุงขึ้นมาเรารู้ทันกิเลสหมดกําลังนะกุศลเจริญขึ้นเรื่อยๆอกุศลดับลงไปเรื่อยๆอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆนะค่อยดูงั้นบางคน ภาวนานะจิตเป็นลอ็อกนิ่งนิ่งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือเป็นลอ็อกอยู่ที่ใจลอ็อกอยู่ที่ใจก็มีนะพวกที่ว่าได้ธรรมะธรรมะเกือบทั้งหมดเลยนะที่เพียนเพียนอะ่ะก็คือไปประคองจิตเอาไว้แล้วก็แผ่ความรับรู้ออกไปนะรู้ทางกายถ้ารู้ทางกายก็รู้มันทั้งตัวอย่าแผ่ไว้แบบนี้นะหรือไม่ก็ทําใจเกาะไว้ในความว่างเนียยแต่งทั้งนั้นเลย หรือกำหนดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกําหนดที่ใจนั่ก็คือเพ่งประคองไว้องไม่มีกิเลสขึ้นมาควนะามจริงมีแต่ไม่เห็นนะตรงที่ใจนี่ไม่เห็นมีโมหะมีโลภะไม่เห็นแต่ตรงที่เพ่งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายตัวนั้นมันไม่มีกิเลสแต่ตรงที่อยากจะให้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มีกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลังเราต้องแย่ให้เคลื่อนก่อครูบาอาจารย์ก็ใช้วิธีนี้นะ สมัยก่อนมีองค์หนึ่งชื่อเจ้าคุณอุบาลีวัดบรมนิวาสเคยอ่านหลวงพไม่ทันท่านท่านสิ้นไปก่อนนานนักหนานก่อนหลวงพ่อเกิดอีกมีผู้หญิงคนหนึ่งนะไปบอกท่านท่านเจ้าค้าดิฉันไม่มีความโกรธแล้วคือจะบอกดิฉันเป็นพรานาคาท่านหันกลับมาอีตอแหลโหพระนาคากโกรธปึ้ดเลยนะเดินออกจากวัดเลยบอกไม่เอาแล้วพระปากจัดไม่ครบอะไรเงี้ยนะ เดินไปถึงหน้าวัดก็นึกขึ้นได้ว่าโกรธนะกลับเข้ามากราบขอขอมาท่านเลยนี่ท่านช่วยให้เรานะไม่งั้นนึกว่าตัวได้ผ้าขาลูกศิษหลวงปู่ดูลกูกมีองค์หนึ่งนะแต่ท่านตายไปแลวะวก็คิดว่าได้ผ้าละหันท่านอยู่เขาพานมรุ้งที่เดิบรรลุผ้าละหันนะสงสารหลวงปู่ดูลกลัวจะไม่ได้ธรรมะอุตส่าห์เดินมาจะมาสอนถึงสุรินทร์นะจากเขาพานมรุ้งนั้นเดินลุยมานะมาถึงสุรินทร์นนตอนดึกแล้ว ใครๆเขาเข้ากุฏิหมดแล้วหลวงปู่ก็เข้ากุฏิไปแล้วเที่ยวไปทุก ป, ประตูเรียกนะอ้างพระทั้งหลายนะหลวงตาดูลด้วยในเรื่องหลวงตาดูลเลยนะออกมาพระอาหารหันต์จะแสดงทําให้ฟังหลวงปู่ก็ไม่ว่าอะไรนะเขาบอกให้พระให้เนนะหลอกไปอยู่ในปวดให้ไปพักซะบอกตอนนี้กลางคืนแล้วล่ะคนทั้งหลายไม่มีแรงจะฟังทะต้องพักผ่อนก่อนพระอรหันเทศแต่คนฟังฟังไม่ไหวละะ ให้ไปพักนะพักแล้วเสร็จแล้วรุว่งเช้าท่านพยายามแก้แก้ไงก็แก้ไม่ตกก็เชื่อมั่นมากเลยว่าตัวเป็นพระริยาสุดท้ายหลวงปู่ดูลท่านก็ใช้ไม้ตายบอกไปไปให้พ้นไอสันนรกโอ้ยพ ร, าาระอรหันต์น่าโกรธบอกว่าหลวงตาดูลไม่ใช่แม่กูนะมาไล่กูกูไปละขวาได้ไม้กวาดนะพลาดบาไปเลยนึกว่าเป็นโกรธไปเห็นพระตู้ดงแบกโกรธไหย นี่คว้าเอาไม่กว่าตัวของโลกปู่ไ้เลยนะ <c oughs> เดินไปสามกิโลนะถึงนึกได้จิตมันเคลื่อนแล้วจิตมันมีโทสะให้นมามนเคลื่อนแะ้ว <c oughs> งั้นถ้าเราภาวนาแล้วใจเราก็นิ่งอยู่ทั้งวันนะเราเราคิดว่าเราบรรลุอะไรแล้ว่เนี่ยตูให้ดีเถอะบรรลุจริงหรือไม่จริง <c oughs> บรรลุจริงมันจะไม่ทื่อบื้อไม่ซื้อบื้ออย่างนั้นหรอกนะ <c oughs> ใจจะไม่มีจุดที่ตั้งเด่นดวงแข็งกระด้างหรือว่าทื่อๆนิ่งๆอยู่ทั้งวันทั้งคืน ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกไอจิตยอย่างนั้นไม่ใช่จิตที่ดีจิตที่พิเศษอะไรนรักหรอกนะเราค่อยๆดูไปนะอย่าเชื่อง่ายค่อยๆดูเวลาที่จะดูกิเลสตัวเองเนะี่ยต้องไม่ประคองไว้ต้องไม่เพ่งไว้ถ้าประคองไว้เพ่งไว้ดูของจริงไม่เห็นหรอกจะนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูนะนั้นต้องใช้จิตใจที่ธรรมชาติธรรมดานี้แหละถึงจะดูเห็นนะสรุปนะปิดคอร์สรักษาศีลหไว ทำในรูปแบบบ่อยๆนะทุกวันวันหนึ่งสินาที15นาทีก็ยังดีถ้าทํากลางคืนแล้วหลับก็ทําตั้งแต่ตื่นนอนนะตื่นให้เร็วขึ้นนิดหน่อยแล้วมาทํานะกลางวันมีเวลากินข้าวแล้วทําในรูปแบบนิดหน่อยด้วยการเดินนะทําเป็นเดินไปโน่นไปนี่อะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเดินกลับไปกลับมาให้คนเขาเห็นหรอกเดี๋ยวเ้าว่านักปฏิบัติอะไรโอ้อวดให้เขาดูนะไม่จําเป็นเดินท่าไหนก็ได้นะ ตกขําถ้าเรากลางวันเราปฏิบัติมาสม่ําเสมอนะทั้งทาในรูปแบบบ้างทําสติในชีวิตประจําวันบ้างเนี่ยตกขําเราจิตมันจะมีแรงนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่หลับง่ายหรอกนอนไม่ค่อยหลับด้วยซ้ําไปนอนไม่หลับเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติเลยสําหรับคนที่เจริญสติดีๆนะเวลาถึงเวลานอนลงไปนอนหัวแตะหมอนจิตก็สว่างจ้าพักผ่อนอยู่อย่างนั้นเลย ไม่คิดไม่อะไรสบายพักผ่อนร่างกายหลับกลวนครอกๆนะจิตที่รู้ตัวสว่างไสวยไม่ต้องตกใจนะว่านอนไม่หลับร่างกายมันได้หลับแล้วจิตใจมันพักผ่อนด้วยการทรงสมาธิอยู่ร่างกายพักผ่อนด้วยการไปนอนมันคนละเรื่องกันนะงั้นบางคนตกใจว่าภาวนานแล้วนอนไม่หลับ แต่ว่าบางคนมันก็นอนไม่หลับจริงๆนะร่างกายมันก็ไม่หลับไปด้วยแบบนั้นภาวนาผิดนะเคร่งเครียดไปภาวนาเราไม่หลับเลยนานๆนะบางทีก็เพี้ยนเอาร่างกายทนไม่ไหวเพี้นภาวนาร่างกายก็ต้องพักผ่อนไม่ตรัสําเกินไปนจิตใจก็ต้องพักผ่อ น, นพักผ่อนด้วยสมาธิสมถะทําสมถะมาาอะไรไม่เป็นนอนท่องพุทโธไปก็จะได้นอนสวดอิติปิโสไปเรื่อยๆก็ได้นะ วิธีพักผ่อนของจิตให้จิตอยู่ในอารมณ์ันเดียวแล้วก็ฝึกของเรานะรักษาศีลห้าไว้นะฝึกในรูปแบบแล้วจเจริญสติในชีวิตประจําวันตอนไหนการทําในรูปแบบเนี่ยตอนไหนสติปัญญาเราว่องไวดูจิตไปเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจทํางานตอนไหนกําลังเราตกลงมาดูจิตไม่ออกแล้ดูกายเห็นร่างกายนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่เห็นร่างกายเดินอยู่อะไรอย่างนี้ ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะนะสวนมนไปพุโทโธไปหายใจไปไม่ต้องกลัวว่าจะโงะ่ไม่ต้องเดินปัญญาขนาดนั้นไม่ต้องเดินปัญญาขนาดนั้นทําความสงบเลยนะให้ใจได้พักผ่อนใจพักผ่อนสบาย<ม>ให้สบายพอละพักพอแล้วถอยออกมานะแล้วมาเจริญปัญญาต่อถ้าเราทําได้อย่างนี้เนะี่ยชีวิตนี้เราก็มีโอกาสได้มรรคผลแล้วนะนะรักษาศีลห้าไว้นะ แล้วทำในรูปแบบทุกๆวันอย่างน้อยสักสินาที15นาทีเวลาทําในรูปแบบถ้าวันไหนฟุง้งซ่านมากทําความสงบวันไหนสงบพอสมควรแล้วดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายเห็นกายเห็นจิตทํางานไปหรือว่าจิตของเราชอบฟุ้งฟุ้งแหลกฟุ้งลา น, นอยากใช้วิธีทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้จิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาก็ได้จิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งก็รู้ทันเดี๋ยวมันจะได้สมาธิขึ้นมา ได้สมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานไปกายทํางานยังไงกายนั่งอยู่เฉยๆแล้วกายยังหายใจอยู่เห็นร่างกายทํางานที่เห็นร่างกายหายใจหรือเราเดินอยู่ก็เห็นร่างกายเดินไปเดินมาใจเราเป็นคนดูอยู่ถ้านะดูจิตได้ให้ดูจิตแลาวกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนิพพานรู้แจ้งด้วยจิตนิพพานไม่มีคําว่าเกิดนะ นิพานมีอยู่แล้วไม่ต้องเกิดแต่ตัวอื่นนั้นเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนิพานไม่เกิดไม่ดับพระโสดาก็จะเห็นธรรมะที่เกิดแล้วดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพระอราหันต์ท่านจะแจ้งธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับคืแจ้งพระนิพานเวลานึกถึงมานัศสิการถึงก็ถึงเลยไม่ต้องส่งจิตไปเที่ยวหาพระนิพานที่ไหนเราะอยู่ตอนหน้าต่อตาเรานี่เองไม่เคยหายไปไหนเลยแต่จิตเราไม่มีคุณภาพที่จะเห็นน จิตเรามีกิเลสพระนิพพานไม่มีกิเลสจิตเรามีความฟุ้งซ่านมีความปรุงแต่งพระนิพนพานไม่ปรุงแตง่งจิตเรายังเกาะอยู่ในรูปธรรมนามธรรมพระนิพนพานไม่มีรูปนามงานสิ่งเหล่านี้แหละกั้นเราไว้จากพระนิพพานซึ่งมันมีอยู่แล้วต่อหน้าต่อตานี่เองเนะมื่อไรเราพภานาะหมดกิเลสไปหมดความปรุงแต่งไปปล่อยวางขันไปแล้วก็เจอพระนิพพานเต็มภูมิอยู่ตรงนั้นเองจนะนะมีความสุขไม่มีอะไรเหมือนสุขสัมผัสที่แรกนะ คูบาอาจารย์บอกสุปางตายอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอธรรมะขนาดนี้ก็มีด้วยเหรอนึกไม่ถึงเสร็จแล้วก็จะท้อแท้ใจโหยากอย่างนี้ใครจะไปเรียนได้ไม่สอนดีกว่าอยู่ของเราเฉยๆดีกว่าใจมันจะโน้มไปอย่างนี้เหมือนเหมือนกันทุกองเลยแล้วสักพักหนึ่งน่าผ่านไปบางองค์ก็ผ่านไปหลายวันใจค่อยกลับมาใหม่เรายังผ่านมาได้เลยทําไมคนอื่นก็จะไม่ได้นะ ความการุณามมันก็มาเตือนมาให้ออกมาสอนเหมือนพระพุทธเจ้าเราอย่างเงี้ยนคะรูบาอาจารย์ท่านก็เป็นอย่างนีนะ้เอาต่อไปส่งกันบ้านนะส่งเท่าที่จําเป็นนะช่วยตัวเองให้มากเรียนหลักให้แม่นแล้วช่วยตัวเองให้มากใครจะมีกันบ้านส่งก็เชิญนะเมื่อวานหดหูแล้วก็ประคองไปครับอตอนนี้ก็ปกติมากขึ้นเออปกติ ก็ ถ, ถูกแล้วละไปทำอะไรมาเหนื่อย <c oughs> ดูเหนื่อยเชียวเมื่อวานก็ไม่ก็เห็นสภาวะของพ่อเลยต้องช่วยคิดอได้ไดถ้าดูไม่ออกนะมองไม่เห็นคิดพิจารณาเข้าไปเลยการคิดเป็นอุบายอย่างบางคนทําสมาธิทําสมาธิเสร็จแล้วออกจากสมาธินะี่ยจิตนิ่งมันติดความนิ่งออกมานะ อันนี้ดูจิตไม่ได้ถ้าเลยให้คิดพิจารณากายเป็นอุบายกระตุ้นให้จิตมันทางานนะดีต้องคิดเอานะแต่พอมันทำงานแล้วห้ามคิดให้รู้เอาเมืนะ่อวานนี้เดินจงกรมแล้วก็ใช้พุโทโธช่วยยามเจ้าคะ่ะเพราะว่ามันฟุ้งซ่านก็เลยเอาพุโทโธเป็นเครื่องอยู่แล้วก็คอยดูจิตไหลไปนะคก็คะจะได้แรงขึ้นมานหละเจ้าค่ะ แล้วก็สังเกตดูว่าการปฏิบัติอะจะมีไม่หนักไปก็เบาไปแล้วต้องการถูกบางทีต้องทํานะไม่ใช่จะเอาให้พอดีนะพอดีทําไม่ได้คะจะเห็นว่าไม่เพ่งตัวรู้ไปเลยก็เหมือนจะรู้ใช่เหรเหมือนจะรู้เหมือนจะรู้แต่พอรู้ทีก็นั่นคือความเผลอค่ะอืมมันเผลอไปไม่เผลอก็เพ่งธรไมชาติของจิตนะเวลาปฏิบัติเนี่ยเผลอแล้วรู้ไม่ใช่ว่าห้ามเผลอ แต่เพ่งเรารู้ไม่หายนะถ้าเผลอเรารู้เนี่ยเลิกเผลอเลยเพ่งอยู่เนี่ยรู้ว่าเพ่งอยู่ไม่หายอ่ะเพราะอะไรเผลอเป็นอกุศลนะเพ่งไม่ใช่อกุศลเนี่เพ่งเป็นความปรุงดีเผลอเป็นความปรุงชั่วแต่ว่าให้รู้ว่ามันเป็นความปรุงก็แล้วกันสุดท้ายไม่เผลอไม่เพ่งไม่เผลอไม่เพ่งยากนะไม่ใช่พระอรหันต์ไม่มีหรอก นมัการครับพระอาจารย์คือผมเพิ่งเคยมาฝึกครับเพิ่งเริ่มได้ประมาณขีงวันไหมครับเป็นคนขี้โมโหไหมก็หรับเลือกใจดีสบายใจวันๆยิ้มแย้มก็มีมีบ้างตอนที่เจอเจอสิ่งเล่าครับใช่สิไม่มีสิ่งเล้าใจก็เฉยๆสิอาศัยผัสสะใจเราก็แ่งไปไม่ห้ามมันหรอกนะ การปฏิบัติจริงๆใจเราเป็นยังไงรู้ไปนะให้รู้ว่ามโหอยู่ใช่ไม่ห้ามนะครับไปทําอีกนะแต่ไปสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นครับของผมนี่เพ่งไหมครับรู้สึกไหมถ้าเราเพ่งเมื่อไหร่นะมันจะแน่นๆใช่ครับขนาดนี้แน่นไหมนิดนึงครับแสดงว่าเพ่งนิดหนึ่งถ้าแน่นมากก็แสดงว่าเพ่งมากก็ให้รู้ทันนะเพ่งอยู่ก็รู้นะเผลอไปก็รู้ แต่ถ้าเราระหว่างเผลอตลอดเวลาเลยนะเพ่งไว้หน่อยๆดีกว่าเพราะเผลอเนี่ยปรุงอกุศลเพ่งยังเป็นกุศลบ้างครับขอถามนี่ครับอย่างเมื่อคืนนี้ผมเอภาวนาคือพุโทโธครับอท่องพุโทโธไปนอนไม่ค่อยหลับนัน่นแหละโลกนอนไม่หลับมาละนะไม่หลับก็เรื่องของร่างกายเรากําไรแล้วเราได้พุโทโธก็คือปกติใช่ไหมปกติปกติยิ่งสติดีๆนะแทบไม่หลับเลยนะ พึกซายพลิกขวาเนี่ยรู้ทั้งคืนเลยนะแต่จิตเบิกบานสดชื่นนะแล้วร่างกายก็ไม่เหน็ดเหนื่อยเพราะร่างกายมันนอนกลวนครอกๆก็ได้ครับไปทําอีกนะครับก็เมาเข้าคอส่วสุดท้ายแล้วครับจิตมันดับเข้าคอส่วสุดท้ายแล้วก็ ตั้งแต่มาเข้าคอส์นี้รู้สึกจิตมันก็ปาดเปลี้ยวขึ้นแล้วก็มันน้อมเข้ามาข้างในมากขึ้นอะไรเงี้ยครับจากเดิมที่เคยมองไม่เห็นภาวะที่ไม่ค่อยชอบสภาวะอะไรเงี้ยก็เห็นเห็นบ่อยขึ้นก็เลยว่าจะสังเกตความไม่เป็นกลางก็ยังเห็นความไม่เป็นกลางเมื่อกี้ฮะก็ก็เห็นมันตื่นเต้นแล้วมันก็รู้สึกไม่ชอบแรงดันยังมีอยู่ใช่ก็เลยเพ่งมันก็เลยเผยกดเป็นพักๆใช่หลวงพ่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ทำอีกนะแล้วจิตไม่ถึงฐานให้รู้ทัน มันาไม่ถือฐ า, านจะกระจายออกข้างหน้าไปออกข้างนอกให้รู้เอาไม่ห้ามมันหรอกแต่ว่ารู้เอาแต่ชอบอยู่เออนะไม่เป็นกลางให้รู้สภาวะทั้งหลายที่กำลังปรากฏนะแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางรู้สภาวะแล้วก็รู้ทันจิตไปแต่ไม่เจตนารู้จิตนะให้รู้สภาวะไปก่อน แต่ว่าถ้าเคยได้ยินว่าต้องรู้ทันจิตด้วยเดี๋ยวมันจะย้อนมาดูเองแต่ถ้าจงใจย้อนมาดูแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยจะว่างๆไปเลยจิตนี้เป็นของแปลกจงใจดูแล้วไม่เห็นอะไรเลยจะว่างๆแต่พอไม่จงใจนั่นก็จะปรุงโน้นปรุงนี้ตลอดเวลาขอโอกาสค่ะหลวงพ่อคือหนูยังติดอะไรอยู่ไหมคะหลวงพ่อมูเยอะแยะเลย <c oughs> หนูไม่ติดหนูก็พ้าลหันสิจ้า <c oughs> แล้วหนูควรทำยังไงต่อคะหนูก็มีศีลสมาธิปัญญานะรักษาศาีลห้าฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะวิธีฝึกก็ทำในรูปแบบทุกวันทุกวันด้วยคอยรู้ทันเวลาใจมันไหลไปมันเผลอไปนะถ้าจากนั้นก็ดูกายดูใจเข้าทำงานหลกักศูนย์มีเท่านี้เอง <c oughs> หนูไปคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆนะ ใจเป็นสุขให้รู้ใจเป็นทุกข์ให้รู้ใจเฉยๆให้รู้เอาสามตัวนี้ก่อนคตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจิตใจหายไปแล้วครับดูอะไรไม่ได้อีกแล้วครับดูไม่ได้กระดูกายเห็นร่างกายนั่งเหนร่างกายหายใจได้ครับแต่ว่ามันสองเดือนมานี้คือมันไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วครับเหรอครับมันใจมันหายไปแล้วครับเออนะต้องให้ใจมันกลับมานะพยายามรู้สึกในร่างกายบ่อยๆ ใจกระจายกว้างๆหายไปเลยไม่ดีหรอกทาทําอะไรมันก็ไม่แสดงอาการปรุงแต่งยินดีไา้มาเลยครับเมื่อก่อนนี้ดูเป็นครับมันแสดง <c oughs> นี่ตอนนี้ถ้าใครชกตั้งจะหมกเป้งแนะโกรธเลยล่ะเชื้อโกรธก็ยังอยู่นะแต่ว่ามันไม่ทํางานขึ้นมาเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันเหลือตัวหนึ่งมันนิ่งอย่างเงี้ย <c oughs> นิ่งอยู่ตรงเนี้ยตัวนึ่งเลยครับ <c oughs> นะมันยังมีตัวนิ่งอยู่ตัวนิ่งอยู่เนี้ยถ้าตัวนี้ยังอยู่นะใจไม่ค่อยทํางานตามธรรมชาติ ค่อยๆปล่อยมันคือกิเลสยังมีน ะ, ะแต่ว่ามันไม่สามารถจะขึ้นมาทำงานได้ถ้าดูจิตใจไม่ออก<ม>ก็ดูร่างกายไปทีละส่วนทีละส่วนนะผมคนเล็บฟันหนังเนื้อจระดูกไล่ไปไล่มาเรื่อยๆสมาธิเราแรงขึ้นเดีย๋ยวค่อยกลับมาเห็นได้ให้ใจมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปในร่างกายทีละส่วนทีละส่วน ต่อไปเราก็จะเห็นอ๋อตอนนี้ใจไปอยู่ตรงนี้ตอนนี้ใจไปอยู่ตรงนี้ก็จะกลับมาเห็นใจได้อีกครั บ, รบเอาเอาใจอเราเคลื่อนไปตามร่างกายนะไล่เป็นผมขนเล็บฟันหนังไล่ไปไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงสุดท้ายก็จะเห็นจิตมันทํางานได้อีกมรส ก, การครับคือจะถามหลวงพ่อที่ไรก็จะตื่นเต้นทุกทีขัรรานสุดทานะ้ายถามนะก็ไม่รู้น่าจะปีหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจจนมันคิดว่า เดี๋ยวจะถามทุกครั้งเลยว่ามันจะหายตื่นเต้นไหมอะไรโอ้ไม่ต้องลองอย่างนั้นนะผมไม่ได้ไม่ได้ทํานะครับเออจะทำขนาดนั้นเลคิดว่าอย่างนี้เฉยๆคราวนี้เออก็นานแล้วที่ไม่ได้ไม่ได้มาสรงการบ้านคราวนี้จะอธิบายตัวเองอะไรมันก็พูดไม่ค่อยเป็นอธิบายไม่ถูกก็เลยขอขอสังเกตนะสิใจเราสงบด้วยใจเราฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านครับเอใจฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านนะใจเป็นกลางไหมแต่ความฟุ้งซ่านไม่ครับไม่กลางให้รู้จักนะ นี่หัดรู้ของเราอย่างนี้เรื่อยๆรู้สภาวะโลกปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเรารู้สภาวะแล้วจิตใจเรายินดียินร้ายอะไรก็รู้ทันไปค่อยๆสังเกตค่อยๆดูไปมันก็ค่อยก้าวหน้าได้อยู่ๆจะไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยไม่เดินปัญญาหรอกจุดจุ่อนที่ควรจะไปเพิ่มใจยังฟุ้งซ่านอยู่น้ะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะจะอยู่กับพุทโธอยู่อะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตไปพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรือว่าฟุ้งซ่าน พุโทโธแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบพุโทโธแล้วสุขรู้ว่าสุขทุกข์รู้ว่าทุกข์หากเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วก็รู้ทันจิตเรื่อยๆนะจะได้กําลังขึ้นมาการที่เราคอยรู้ทันจิตนั่นแหละนี่จิตสิกขานี่จะได้สมาธินะทําให้ได้สมาธิขึ้นม า, มากล่าวธรรมสการหลวงพ่อครับคือหลวงพ่อเคยสอนบอกว่าให้ไปดูจิตทีนี้ผมดูเออก็มีการเผอแล้วก็คยดูแต่รู้สึกว่าดูแล้วมันไม่ถึงนะครับ แล้วก็พอกลับเข้ามาดูข้างในแล้วรู้สึกมันว่างๆมันไม่มีอะไรสะดวกอ๋อถ้ามาถึงจุดที่ดูแล้วไปว่างๆแล้วกลับมาดูกายเลยคือเครื่องมือของเรามีสองตัวไม่ดูกายก็ดูจิตครูบาอาจารย์สอนนะเนี่ยหลวงปู่สุวัตเคยสอนมาบอกว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนมาิจริงบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทําสมถะข้าศนี้ ของคุณตอนนี้ยจิตมันจะนิ่งนะ่ะถ้าจิตมันนิ่งๆอันนี้เพราะว่าเวลาดูจิตเนี่ยไปเพ่งจิตแรงไปกายเป็นไปจ้องใส่จิตมันก็จะว่างไปหมดเลยครับถ้มันมองจิตไม่เห็นเนี่ยให้ดูกายเอานะบางทีมันเกิดอาการไหวๆเตือนอยู่ไปนะเออนะอย่างนั้นใช้ได้นะถ้ามันเห็นไหวๆอยู่นะสะเตือนอยู่กลางหนะ้าอกไหมครับเอออย่างนั้นก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีหูวงพ่อเคยถามอาจารย์มหาบัวบเห็นเนี่ไหวๆอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนะ อก็สอนนะว่าการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดแล้วนะเหลือแต่ยิบยับยิบยเป็นความปรุงที่ละเอียดนะถ้าเห็นได้อย่างนั้นก็ดูต่อไปแต่ว่าอย่าถลำลงไปดูที่ไหวๆนะดูห่างๆแต่ว่าถ้าดูจนเหนื่อยแล้วเนี่ย ท, ทยําสมถะจะต้องพักถ้าอย่างนั้นเรียกว่าดูจิตได้นะดูจิตเก่งหรือซ้ําไปถึงเห็นแต่ไหวๆ <c oughs> นานๆนานๆดูได้ขังอ๋อถ้าไม่ได้เห็นนะก็มันดูไก่เนาะถ้าเห็นไหวๆดูไหวๆไปแต่ไม่ถลำลงไปดูนะ กรับในมกกรดกของพ่อค่ะคืออยากจะสอบถามว่ายังถูกทางอยู่หรือเปล่าค่ะืขยันภาวนาไหมล่ะที่ผ่านมาไม่ขยันค่ะแต่ว่าปีนี้ตั้งใจว่าจะขยันมากขึ้นถ้างั้นปีนี้ถูกทาง <laughs> <laughs> นะตูดจีนแล้วขยันภาวนานะ <laughs> คอยดูจิตใจของเราเรื่อยๆรักสวยรักงามไหม หรือว่าชอบคิดชอบคิ ด, ช, ช, อคดชอบคิดมากกว่าถ้าชอบคิดก็ดูจิตดูใจไปคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงอะไรดูไปนะกลาง ว, วัสการหลวงพ่อครับผมเข้าขอสามวันพี่เลี้ยงท่านกรุณาชี้ว่าจิตมันเข้าไปติดอาการแช่แฉะซึมซึมครับแล้วก็มันสลอกับมันส่งฟุ้งออกไปข้างนอกเยอะครับผมมาดูกายไหม เห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นนะอยดูมันเรื่อยๆมันก็ดึงให้เลื่อนออกมาจากข้างในเพรากายมันอยู่ข้างนอกจิตถ้าจิตถลำเข้าไปข้างในลึกไปนะเราก็แก้ด้วยการออกมาที่กายก็ดึงออกมาข้างนอกมันแล้วออกมาเองอะ่ะพอมันออกมาแล้วมันใจพอดีพดีแล้วคราวนี้ดูกายดูจิตไปสบายสบายบการที่เราค่อยรู้สึกกายเรื่อยๆมันก็แก้ฟุ้งได้ด้วยเห็นไหมร่างกายพยักหน้า ไม่ชัดครับอเห็นไหมร่างกายอ้าปากเมื่อกี้เนี่ยใครรู้สึกในร่างกายเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับนักการค่ะบหลวงพ่อเข้าคอร์สเพิ่งรู้ว่าตัวเองติดประคองแล้วก็โอ้ยังดีนะที่รู้บางคนติดตั้งหกสิบปีนะที่เลี้ยงช่วยไว้ค่ะก็คือตอนนี้ดูกายแล้วทีนี้เริ่มเห็นใจที่มันไหลออกไปโอ้ยางนั้นสิถึงจะใช้ได้แต่ แต่ทีนี้น้ำหนักมันเหมือนเห็นแล้วมันแวบๆว บ, บแต่ไม่รู้ว่ากำลังเราไม่พอหรือว่ามมันเห็นทีเดียวมันก็แว บ, บอย่างนั้นแหละมันไม่เห็นยาวๆหรอกเห็นลงปัจจุบันปัจจุบันสั้นนิดเดียวนะก็แวบบแวบบเท่านั้นแหละขอพระคุณค่ะดีให้จิตเคลื่อนได้ละดีแล้วให้จิตนิ่งลำบากนะตายไปแล้วนิ่งงนะัไปเป็นพระพรหมเลยเขาเชิญมาเฝ้าโรงแรมลาบากก <c oughs> ราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ โยม oh. ฟังซีดีแล้วก็เริ่มปฏิบัติจากการดูกายก่อนค่ะแล้วก็ตอนหลังก็มาดูจิต mm hmm. ตอนหลังจะเห็นความคิดเยอะขึ้นแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมนั่งสมาธิแล้วเห็นว่าตัวเองเผลอไปคิด mm hmm. พอรู้ว่าคิดปุ๊บมันดึงกลับมาที่ตัวค่ะ mm hmm. แล้วก็มีอาการวาบที่หน้าอกเจ้าค่ ะ, oh. คะถูกแล้วล่ะ <c oughs> แต่ถ้ามันไม่มีอาการเขาไม่เป็นไรนะแรกๆมันจะเป็นอย่างนั้นคล้ายๆใจมัน บางทีมันตกใจขึ้นมาก็ได้นะว่ากลับเข้ามาอย่างนี้ได้ <c oughs> แปลกอ่ะ <c oughs> แต่อย่าดึงคืนมานะก็ <c oughs> เข้ามาเองดีที่สุดค่ะแล้วโยมมีคําถามหนึ่งอยากถามเจ้าค่ะคือว่าปกติเป็นคนชอบฝันค่ะอ <c oughs> นอนก็ฝันประจําแล้วก็มีอยู่หลายครั้งที่เวลาฝันแล้วรู้สึกว่าในฝันเรารู้ตัวว่าเรากําลังฝันอยู่เจ <c oughs> <ใช>้าค่ะ <c oughs> ดีต้องฝึกน ะ, จะเจริญสติอยู่ธรรมดากับข้างนอกนี้แหละ ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวลาเราหลับฝันร้ายเนี่ยสติเกิดเองนะถ้าเราฝึกจนถึงสติเกิดในฝันได้เรื่อยๆนะเวลาตายเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยเพราะเวลาจะตายเนี่ยเราจะเกิดนิมิตนิมิตก็ฝันนั่นแหละะฝันสมมติว่าฝันไปเห็นต้นนิ้วและกระทะทองแดงใจกลัวรู้ว่ากลัวปุ๊บนะโอ้โหใจจะตื่นโปร่งขึ้นมาเลย <c oughs> ไม่ไปแล้วนรก หรือบางคนไปเห็นต้นงิ้วกระทาทองแดงโลภอยากจะได้ราคาแพงสติรู้ว่าโลภนะหลุดพ้นออกมาเลยนะเวลเราฝึกจนถ้าถ้าฝันร้ายแล้วก็สติเกิดเนี่ยนะค่อนข้างปลอดภัยแล้วที่ปฏิบัติอยู่นี่ใช้ได้ใช้ได้ใ ช, ใช้ได้กราบธรรับัตรสถารหลวงพ่อครับ เคยไปส่งลงการบ้านหลวงพ่อเมื่อสองสัปดาห์ก่อนครับหลวงพ่อให้ไปไปทําต่อครับคืออยากจะสอบถามว่าโคผมควรจะดูอะไรเป็นพิเศษนะครับดูอะไรชัดล่ะดูอะไรชัดก็ดูแบบนั้นแหละก็จะดูบางทีดูจิตที่คิดไปบ่อยอะไรองรี้ถ้าดูจิตที่ค<ม>ิดได้ดีดที่สุดเลยนะครับแล้วความอยากอะไรพวก <ứng S 1> <อ>นั้นนะนะดูอย่างนั้นแหละสังเกตไหมว่าตอนนี้กับสองอาทิตย์ก่อนก็ไม่เหมือนกันแล้วครับะใจมันสบายกว่าเก่าเนอะดูครับ แล้วก็เวลานั่งสมาธิผมรู้สึกว่าบางครั้งมันจะรู้สึกหลับในอยู่ข้างในอะครับอืมให้มันหลับไปแต่ว่าพอออกมาแล้วนะให้มีสติเลยแต่ถ้าเข้าสมาธิลึกพอถอยออกจากสมาธิให้ดูกายเลยคือจิตไม่ได้จิตจะนิ่งๆครัาลองพอพอมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมครับไปทําต่อนะแล้วอย่าโลภนะครับพอโลภมากๆมันก็จะโมโหมันไม่ได้สติ กราบหลวงพ่อต่ตค่ะขอส่งกันบ้านค่ะก็ที่ผ่านมาคือเห็นโมหะเคยเห็นตัวโมหะค่ะก็จะเป็นคนที่จริงๆเคยเห็นโทสะเห็นโลภะมาบ้างแล้วแล้วเสร็จแล้วเอตัวโมหะเนี่ยจะยังติดอยู่แล้วก็เวลาตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาไม่อยากไปทํางานอย่างนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ก็มีพระท่าน แนะนำว่าตัวโมหะมันจะเป็นเหมือนกับเคลือบๆจิตอยู่อะค่ะเสร็จแล้วมีวันหนึ่งที่วันนั้นวันนั้นต้องแอคทีฟทํางานนะคะเราเกิดเห็นขึ้นมาว่าขณะนั้นจิตไม่มีโมหะค่ะอืก็เลยเห็นว่ามันก็เกิดเข้าใจว่าเวลาที่จิตโมหะขึ้นมันจะเนิดๆอะค่ะอืแล้วก็เสร็จแล้วมันก็เหมือนเหมือนตัดลงแล้วก็ความความแบบว่าขี้เกียจอะไรอย่เงี้ยมันก็ มันก็หายดีขึ้นค่ะดีเดี๋ยววันหลังมันก็มาค่ ะ, คะก็ยังมาอยู่ค่ะแต่วันนี้สติเราอ่อนนะมันก็มาอีกค่ะในสติเราเร็วมันไหลมาปุ๊บสติรู้ทันก็หายไปค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาทำสมาธิได้มากขึ้นก็สวดมนต์ได้เพิ่มขึ้นค่ะดีแล้วก็แต่ว่ายังนั่งสมาธิไม่ค่อยได้ค่ะได้ประมาณสามนาทีห้านาทีแล้วจิตมันก็สามนาทีก็เอานะ แต่ว่าเราทําให้ได้ทุกๆชั่วโมงได้ยิ่งดีเลยมีเวลาว่างสมมติมีเวลานิดนหน่อยหน่นะสองนาทีสามนาทีเราเรีบหายใจรีบอะไรขึ้นเราไป <ฮะ S 1> หลวงพ่อก็เก็บเล็กเก็บน้อ ย, อยงั้นแหละเราเป็นคาราวาสมานั่งทิ้งหลายๆชั่วโมงเราไม่มีเวลาก็อันนี้เป็นการบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะข่าพักคุณค่ะจิตใจต้องรู้ทันมันนะอย่าให้มันกระจายกว้างกว้างออกไป ถ้ามันกระจายกว้างๆมีแต่ความสุขนะย้อนมาดูกายเลยอาจารย์ค่ะขอคำแนะนำค่ะเอาเลยเหรอให้มีศีลสมาธิปัญญา <c oughs> เป็นเจตไหมว่าใจเดี๋ยวนี้กับตะก่อนไม่เหมือนกันละดวกไหม <c oughs> นั่นแหลยใจมันตื่นขึ้นมาแล้วนะขันมันก็ค่อยแยกแล้วใจมันตื่นขันมันแยกออกไปแล้วก็ดูเห็นเขาทำงานของเขาเอง ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่ใช่เราให ม, ๆม่ๆบางทีใจมันยอมไม่ได้นะตกอกตกใจร้องหม่มร้องไห้ก็มีนะเริ่มเห็นว่าตัวเราหายไปตกใจก็มีแต่เราให้รู้ทันไปเรื่อยดูไปสบายๆายทำถูกแล้วล่ะนรรรมตการหลวงพ่อคะ่ะตื่นต้นเลยคะ่ะ<ม>ไม่ได้ส่งกันบ้านมาปีนึง<ม>ก็เลย ดูตั้งแต่นั่งนั่งรอรอที่จะส่งกันบ้านนะคะก็รู้สึกว่าสร้างภพอยู่ตลอดเวลาออดี <laughs> ที่เห็นนะแล้วก็จริ ง, รงๆแล้วทั้งหมดที่จ้างเนี่ยก็รู้ว่ารู้สึกว่าแค่อยากอยากได้แรงจากหลวงพ่อะ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันมันก็หนูตั้งใจทํารูปแบบอยู่ทุกเช้าข้ามทุกสมาเสมอนะคะแล้วก็อยากได้แรงจากหลวงพ่อมีเคล็ดลับนะ <laughs> อยู่ที่บ้านนะ่ะนึกถึงหลวงพ่อนะแล้วทําใจให้สงบนะ ก็จะเกิดแรงขึ้นมาค่ะขอบพระคุณค่ะแค่นี้นะเดีออย๋ยวสู้ต่อไปนะเออต้องสู้เอานะอเชิญกลับบ้านตุดด๊จีน้าขอให้มีสติ <c oughs> ขอให้รวยรว ย, ยก็เรื่องธรรมดานะคนรวยในโลกมีเยอะแยะคนมีสติหายากให้รวยรวยรวยด้วยมีสติด้วยก็แล้วกันเนาะ <c oughs> โอ้โหสาธุดังเชียมมีสติเฉยๆแล้วไม่สาธุเลยรู้เลยอยากได้อะไร